วันนี้นี่ยังไม่เข้าเรื่องเลยเนี่ยยังเกริ่นอยู่เนีวันนี้เป็นวันวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ทางราชการสมมุติให้ว่าเป็นวันมหาธีรราชเจ้านึกถึงไหมเคยรู้ไหมว่าวันที่ยี่ส้าพฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันมหาธีรราชเจ้ามหาธีรราชเจ้าก็คือราชการที่ห ทำไมเรียกว่ามหาธีรราชเจ้าเพราะพระองค์เนี้ยมีความสามารถหลายด้านเป็นเป็นเลิศดาหลายๆด้านมีความฉลาดปราดเปลืองธีระนี่ก็คือมีปัญญาฉลาดมีปัญญามากพระองค์สวรรคตช่วงสามวันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับที่พระองค์กําลังจะสวรรคต ตอนที่พระองค์พูดภาษาชาวบ้านดีกว่านะตอนที่พระองค์ป่วยหนักๆเนี่ยประชวนหนักใกล้จะสวรรคตแล้วเนี่ยใจของพระองค์เนี ย, ยังนึกว่ายังไปไม่ได้พระราชินีพระราเอ๊ะตอนนั้นเรียกว่าพระราชินีหรือเปล่าเรพระราชินีเนี่พระราชินีกําลังใกล้ มีพระประสูติการสมัยนั้นไม่มี อ, อะไรนะอุนตาสาวยังไม่รู้ว่าเพศไหนพระองค์ก็หวังไว้ว่าจะได้ราชโอรสมาสืบราชบัลลังก์ยังฝากข้อความถึงราชการที่เห็ืบอกว่าถ้าลูกออกมาเป็นลูกชายให้ราชการที่เเ่ว่าราชการแทนไปก่อนพอลูก อ, อ, อะไรเาเรียกอะไรบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยค่อยให้ลูกขึ้นครองราชปรากฏว่ามีพระประสูติการถ้าเทียบไปแล้วนะเมื่อปีสองสี่หกแปดเลขสวยไหมสองสี่หกแปดเลขคู่นะสองสี่หกแปดปีนั้นวันเนี้ยของปีนั้นยี่สิบสี่มีพระประสูติการ คนก็ทราบแล้วเป็นเพศไหนเพศไหนเพศหญิงเพศหญิงเนี่ยเรียกว่าอะไรพระเจ้าลูกเธอก็ไปกราบทูลในหลวงราชการที่6บอกว่ามีประสูติการแล้วเป็นพระราชธิดาราชการที่6กก็บอกอืมก็ดีเหมือนกันคือ แม้จะหวังว่าจะได้ราชโอรสแต่ได้เป็นลูกสาวคือเป็นพระราชธิดาพระองค์ก็รักลูกเหมือนกัน mm hmm. ก็อุทานขึ้นมาว่าอืมก็ดีเหมือนกันตอนนั้นป่วยหนักแล้วนะแทบไม่มีแรงอะไรแล้วก็อุทานขึ้นม า, วา mm hmm. กว่าจะพาพระราชธิดาเนี่ยมาให้พระองค์ทอดพระเนตรได้ก็อีกวันหนึ่งคือวันที่ยี่สิบห้า อุ้มมาในหลวงราชการที่ 6. หมดแรงแล้วยกมือตัวเองขึ้นมาลูปลูกตัวเองก็ยังไม่มีแรงและมหาดเล็กจะต้องยกมือให้เรียกว่าเชิญเชิญพระ ก, กรมาลูปพระราชิดดาผมก็ลูปพอยกพออุม้มพระราชิดดาออกไปก็บวกมือมาอีกลูปอีกขอรูปอีก ได้รูปอยู่สองครั้งแล้วก็อุ้มกลับไปคืนนั้นก็สวรรคตรคืนคือคืนวันที่25นับอย่างไทยยังเป็นคืนวันที่25แต่นับอย่างฝรั่งมันเป็นตีสองลตีนกว่ากว่าตี1กว่ากก็เป็นถ้านับแบบฝรั่งก็จะเป็น26 จึงมีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ว่าในหลวงรชัชการที่6สวรรคตรวันที่26แต่รชัชการที่7เนี่ยความรู้สึกเหมือนยังเป็นคืน25อยู่ก็ให้ประกาศให้ประกาศเป็นทางการว่าให้วันที่25เนี่ยเป็นวันมหาธีรราชเจ้าระลึกถึงการสวรรคตรของราชการที่6นี่นะที่มานะะไปอ่านประวัติศาสตร์จะได้ไม่งงเอในหลวงราชการที่6 สวรรคตวันที่26แล้วทำไมใช้วันที่25เป็นวันเป็นวันระลึกถึงพระองค์ส่วนวันนี้วันที่24เป็นวันประสูตย์ของเรียกว่าอะไรอะเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตน์เจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะนี่เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับวันช่วงนี้ ในรัชกาลที่6เนี่ยตอนขึ้นครองราชตอนเป็นเจ้าฟ้าชายเป็นเจ้าชายนะก็เป็นหนึ่งในเจ้าชายหลายๆเจ้าชายที่เป็นลูกของรัชกาลที่5้ า, ารัชกาลที่5ก็ส่งไปเรียนต่างประเทศส่งไปเรียนที่อังกฤษด้วยความเป็นเจ้าชายที่ไม่ค่อยถือตัวก็เป็นที่รักของ เหล่านักเรียนอนอกด้วยกันวันหนึ่งสยามากุฎราชกุมารองค์แรกที่รัชกาลที่5ทรงแต่งตั้งสถาปนาเอาไว้สิ้นประชนก็จำเป็นจะต้องแต่งตั้งองค์ใหม่ก็มาตกอยู่ที่รัชกาลที่6ข่าวการแต่งตั้งไปถึงก็เปลี่ยนสถานะจากเป็นเจ้าชายปกติมาเป็นสยามากุฎราชกุมาร ประกฏว่าราัชกาลที่6ไม่ทราบเป็นยังไงคงจะเกรงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปข้าราชการข้าราชบริพาณทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศก็รายงานกลับมาที่กรุงเทพกลับกลับมาที่ร .5 บอกว่าพราะองค์เจ้าฟ้าสยามกุฎราชกุมารเนี่ยเปลี่ยนไปตั้งแต่มีการถ่ายทอดคำสั่ง ส, สถาปนาเป็นสยามมกุฎราชกุมารเพราะองค์เปลี่ยนไปไม่เล่นไม่คุยไม่สูงสิงกับใครเหมือนปกติดูเหมือนจะถือตัวมีอติมานะรู้จักอติมานะไหมมีการถือตัวในหลวงราชการที่5ก็รับทราบข่าวพอดีว่ามีโปรแกรมว่าจะต้องไปเยือนยุโรปอีกครั้งหนึ่งก็ไปพอไปถึงอังกฤษ ก็ไปเซ็นเยี่ยมเซ็นเยี่ยมเป็นน่าจะอยู่ในช่วงวันเกิดของรัชกาลที่6พอดีอก็เซ็นการ์ดหรือเซ็นหนังสือเนี่ยああจำไม่ได้เซ็นเยี่ยมของท่านเนี่ยนะนักปราดรัชกาลที่5เนี่เป็นระดับนักปราดรัชกาลที่6ก็ระดับนักปราดพระองค์ก็รู้จักลูกของท่านดีรัชกาลที่5นะรู้จักลูกของท่านดีการเซ็นเยี่ยมเนี่ยหรือจะไป สอนเลยกับลูกชายคนนี้นี่ตรงๆเลยนะมันดูไม่มีศิละปะวิธีสอนลูกของรัชกาลที่5นะเขียนโครงเขียนโครงเขียนโครงสอนฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันเคยได้ยินไหมฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันแผกบ้าง ความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างห่อนแก้หรือไหวหมายความว่าอย่างไงฝังแล้วรู้เรื่องไหมฝูงชนกำเนิดคล้ายกันคือคนทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยอาจจะแตกต่างทันด้านชาติกำเนิดรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอาจจะแตกต่างกันอย่างเจสไป เ, จไปเกิดแคนาดาก็เลยมีรูปร่างหน้าตาแบบฝรั่ง อาตมาเนี่ยเกิดเมืองไทยแต่มีเชื้อจีนก็เลยตาตี๋คนนี้ตาโตๆคนนี้ก็ตาตีตๆอะไรเงี้ยนะมันไม่เหมือนกันฝูงชนกำเนิดคล้ายค ล, ยคลึงกันคือไม่เหมือนกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันแผกบ้างมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมเพศก็ไม่เหมือนกันมีทั้งเพศชายเพศหญิงเพศเกือบๆจะชายเกือบๆจะหญิง ไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองกันได้ความรู้อาจเรียนทันกันหมดความรู้เนี่ยพัฒนากันได้เรียนกันได้พัฒนาความสามารถศักยภาพกันได้ถ้ามวัวแต่ถือตัวยกแต่ชั่วดีกระด้างมีความกระด้างถ้าไม่แก้ไม่ไหวนะ เขียนเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดให้กับรัชกาลที่หกเป็นโยมได้รับคำโครงนี้แล้วเข้าใจไหม <c oughs> รัชกาลที่หกเข้าใจแล้วก็สืบข่าวนะรัชกาลที่ห้ก็สืบข่าวเปลี่ยนมากับมาเป็นคนเดิมนี่นักปราดสอนกันนะนักปาดสอนนักปราศสอนทีเดียวรู้เลยสอนไม่ต้องสอนมากสอนทีเดียว สอนที่เดียวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกลับมารัชกาลที่6รัชกาลที่6ตอนตอนรัชกาลที่5สิ้นพระชนม์ใหม่ๆมีความลำบากใจมากตอนรัชกาลที่5สิ้นพระชนม์เนี่ยอายุก็ไม่มากรัชกาลที่6ก็อายุประมาณแค่สามสิบประมาณ30ก็ไม่ยังไม่คิดอยากจะครองราช อยากอยู่กับพระราชบิดามากกว่าแล้วก็หนักใจที่ว่าโอ้โหพระราชบิดาสร้างมาตรฐานไม่สูงมากมาตรฐานสูงโอ้เราจะทำได้แค่ไหนก็ยังไม่รู้เลยมีความหนักใจเพราะองค์เขียนเขียนหนังสือเอาไว้บอกว่าไอ้ที่จะทำดีให้เทียบเท่าพระราชบิดาเนี่ยไม่คิดไม่คิดจะเทียบเคียง คิดอยู่แต่ว่าจะทำหน้าที่อย่างไรให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขประชาชนอาจจะเห็นว่าพระองค์เป็นพระราชาของเขาแต่หวังอยู่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนและข้ารับใช้ ของประชาชน น, นี่ในใจของรัชกาลที่หนะน่านับถือไหมและสืบมาจนถึงรัชกาลที่7รัชกาลที่7ก็อยู่ในช่วงที่วิกฤตเหมือนกันการเมืองในยุคนั้นก็กำลังมีปัญหามากนักเรียนนอกเริ่มที่จะ คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆเริ่มคิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่ส่งคนไปเรียนเมืองนอกไปเห็นความเจริญของฝรั่งและอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเมืองไทยแต่รัชกาลที่5บอกว่ายังไม่พร้อมคนไทยยังไม่พร้อมพอถึงรัชกาลที่6ความคิดนี้ก็ยังมีอยู่มากขึ้นด้วยรัชกาลที่6กก็แต่งตั้งฝรั่งคนหนึ่งเป็นรุ่นรุ่นเดียวกัน จริงๆเป็นเพื่อนสนิทกับพระราชบิดาของรชัชกาลที่9เจ้าฟ้ามหิดลเป็นเพื่อนสนิทแต่งตั้งนายคนนี้ชื่อฟรานซิสโบเซเป็นลูกเขยของประธานาธิบดีอเมริกาเป็นชาวอเมริกันแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษาฟารานซิสโบแซก็ให้คํา ให้คำปรึกษาว่าคนไทยยังไม่พร้อมคนไทยเขาอยู่เมื่ออเมริกานะเมืองประชาธิปไตยแท้ๆเลยนะเขาไม่ได้เร่งรีบว่าทุกประเทศจะต้องเป็นประชาธิปไตยนะเขาก็ให้คำปรึกษาตรงไปตรงมาว่าเมืองไทยยังไม่พร้อมอย่าเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันให้ค่อยเป็นค่อยไปให้ให้คนไทยมีความรู้มีความพร้อมก่อนถึงราชการที่เจกระแสก็มาอีก รัชการที่เ็ก็ปรึกษากับนายคนนี้อีกฟรานซิสโบแซท่านก็ให้คําปรึกษาบอกว่าเขียนรัฐธรรมนูญก่อนได้เตรียมเอาไปก่อนแต่อย่าพึ่งใช้เพราะว่าคนไทยยังไม่พร้อมสามรัชกาลแล้วนะคนไทยยังไม่พร้อมการการศึกษาอะไรยังไม่พร้อมคนไทยยังไม่พร้อมมันตื่นตัวในเฉพาะหมู่นักเรียนนอก แต่คนทั่วๆไปยังไม่รู้จักสิทธิไม่รู้จักอะไรให้ให้ความเห็นเอาไว้หน้าฟังมากบอกว่ารัฐสภาถ้าสมาชิกของรัฐสภาไม่ฉลาดนี่ฝรั่งบอกไว้นะในสมัยรายการที่7 ถ้ามีรัฐสภาแล้วรัฐสภามีสมาชิกที่ไม่ฉลาดรัฐสภาจะเป็นเครื่องจักรของทรราชนี่คืนเป็ น, เ ป, นเป็นความเห็นของฝรั่งอเมริกันชาติที่เป็นประชาธิปไตยรัฐสภาถ้าประกอบด้วยสมาชิกที่ไม่ฉลาดรัฐสภาจะเป็นเครื่องจักรของทรราชซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่า พระราชาที่มีอำนาจเต็มเพราะแก้ไขา ย, ยากทำไมถึงแก้ไขา ย, ยากถ้าพระราชามีอำนาจเต็มแล้วพระองค์ไม่เป็นพระราชาที่ดีก็เปลี่ยนองค์เดียว <c oughs> แต่รัฐสภาเนี่ยมันเยอะแล้วแก้ไขา ย, ยากแล้วยากไหมจริงไหมยากเนาะนี่พูดเอาไว้ฝรั่งพูดเอาไว้นานแล้วนะ <c oughs> ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เรื่องเป็นเรื่องของธรรมะนะเพราะว่าจิตใจคนถ้าไม่มีธรรมะไปอยู่รวมที่ไหนที่นั่นก็จะไม่น่ารัก <c oughs> คำว่าน่ารักเนี่ยแปลว่าภาษาบาลีว่าปิยะน่ารักพระปิยะมหาราชเป็นพระราชาที่น่ารักถ้าไม่น่ารักภาษาบาลีว่าอับปิยะ คนไทยเรียกว่าอัปรีไม่น่ารักไปรวมคนน่ารักรวมกันก็ไปเป็นแหล่งรวมของคนน่ารักไม่น่ารักอยู่รวมกันก็ไม่น่ารักน่ารักมากๆก็ไม่น่ารักมา ก, มา ก, มา ก, มากๆ